ที่สามท่กรุงเทพต้ยเทาที่สังเกตดูหลายหลายท่านาีังเข้าใจผิดว่าปฏิบัตินี่เฉพาะตอนนั่งหลับตานะนั่งหลับตาในเพียงแค่ลำลองเฉยแต่ความจริงนี่ตลอดเวลาตลอดเวลาท่านจะต้องคิดพุโธไว้แล้วท่านจะต้องรู้ตัวมีสติสัมปรชัญญะรู้ ต, ตัวตลอดเวลาว่าขณะนี้กาลังคิดพุโธอยู่หรือว่าท่านกําลังคิดอย่างอื่นอยู่ หรือว่าไม่ได้คิดพุทโธแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านรู้ตัวว่าท่านไม่ได้คิดพุทโธแล้วท่านก็คิดพุทโธขึ้นมาบางทีท่านยังไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเลยก็ไม่เป็นไรแต่เพราะท่านก็จะรู้ว่าท่านไม่ได้คิดพุทโธแล้วตอนนี้ท่านก็คิดพุทโธขึ้นมาตลอดเวลานะแต่ขอเน้นว่าตลอดเวลาไม่ใช่ว่าบางคนทําบอกว่าแค่นั่งสมาธิหลับตาพอออกจากสมาธิลาแล้วท่านก็ลืมหมดเลยไปเข้าห้องน้ําไปกินกันไปคุยกันแล้วท่านก็ลืมหมดเลยทำไม่ไดครับ คือคำบริการมพุทโธหายไปหมดแล้วไม่ดีแล้วท่านก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดพุทโธแล้วไม่ได้บริการพุทโธแล้วลืมลืมคำบริกรรมพุทโธแล้วถ้าท่านทํำเฉพาะตอนนั่นงหลับตานี่จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงท่านนั่งหลับตาได้แค่อย่างเก่งก็ฝึกใหม่ๆครับสิบปียี่สิบ ป, ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะสิบปียี่สิบทีเนี่ยเวลาที่เหลือท่านไปคิดอย่างอื่นหมดไม่ทันกันมันไม่ทัน เพราะนั้นท่านต้องตลอดเวลาตลอดเวลาคือท่านออกมาสลับตาลือตาไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญที่ท่านเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเมื่อไหร่ท่านรู้ตัวว่าท่านไม่ได้คิดพุทโธท่านนองคิดพุทโธขึ้นมาต้องคิดพุทโธขึ้นมาทันทีคิดพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาทันทีบางทีท่านยังไม่เห็นความคิดอื่นเลยแต่ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้คิดพุทโธแล้วท่าก็คิดพุทโธขึ้นมาเลยคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมา หรือว่าถ้าก็คิดเห็นว่าถ้ากำลังคิดอย่างอื่นถ้าก็รู้ตัวถ้าก็คิดพุโตขึ้นมาความคิดเหล่านั้นมันก็จะถูกแทนที่ด้วยคํามคิพุโตไปเหมือนกันคือยังไม่ท่านเห็นความคิดอื่นใดเลยแต่เห็นว่าไม่ได้คิดพุโตแล้วตอนนี้ถ้าก็คิปพุโธขึ้นมาเสียงความคิดอื่นมันก็มันก็ิหักายไปเองท่านเห็นหรือไม่เห็นมันก็หายไปเองปรเดี๋ยวท่านคิดพุโตอยู่มันก็คิดอื่นแสกๆขึ้นมาถ้าก็เห็นเองว่าขนาดนี้มีความคิดอื่นแสกขึ้นมาถ้าก็เห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเวลาที่มาอยู่ปฏิบัติทีี่่น ท่านอย่าทำเฉพาะตอนนั่งหลับตาลืมตาแล้วท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธไม่ได้คิดพุทโธไว้เลยแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดพุทโธนะเมื่อตัวเองไม่ได้คิดพุทโธรู้ตัวปุ๊บคิดพุทโธขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ก็คิดขึ้นมาเลยคิดมาเรื่อยๆคิดพุทโธขึ้นมาอีกระดับที่ขั้สูงขึ้นไปก็คือว่าท่านคิดพุโธเรื่อยไปคิดพุโธเรื่อยไปแล้วก็ดูรู้เห็นจิตใจอองเร่ไป จิตใจสบายก็รู้ว่าสบายไม่สบายก็รู้ไม่สบายคิดอะไรก็รู้ว่าคิดอะไรมีอารมณ์อะไรก็มีมีอารมณ์อะไรคิดนึกติดตอปรุงแต่งท่านเห็นหมดเลยอย่าไปลาคานนะอย่าไปงุนหงิดลาคานกับความคิดนึกติดตอปรุงแต่งเหล่านั้นเพราะต้องการให้ท่านเห็นให้ท่านรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่กําลังนึกอะไรกาลังฝึกกำลังตอกำลังวิตกกังวลเรื่องใดอยู่ต้องการให้ท่านเห็นให้ตราให้ท่านรู้เพราะนั่นจะท่านจะไปพยายามบุญหงิดลาคานดับความคิดนึกติดตอปรุงแต่งเหล่านั้น ถ้าท่านพยายามดับความคิดนึกคิดตอพปุงแต่งเหล่านั้นท่านจะไม่เกิดปัญญาในการเห็นในการรู้ต้องการให้ท่านรู้ท่านเห็นว่าทุกขณะปัจจุบันนะท่านมีความคิดนึกคิดตอมปรุงแต่งมีความวิตกกังวลอะไรในเรื่องกําลังมีความวิตกวามมีเศร้ามีความเศร้าหมองในเรื่องใดๆอยู่ท่านก็ต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าถ้ากําลังมีความคิดอะไรอยู่ในใจของท่านท่านก็ต้องมีความรู้อยู่อย่างนั้นแล้วท่านก็คิดพุทโธวายพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ความคิดเหล่านั้นไว้ท่านไม่ต้องพยายามดับความคิดเหล่านั้นนะเพราะต้องการให้ท่านอยูู่กับร้ พบผู้รู้เมื่อใดพบผู้รู้ก็พบธรรมเพราะฉะนั้นรู้ก็คือรู้ว่าถ้ากําลังคิดพุทโธอยู่แล้วหรือว่ารู้ว่ากําลังคิดอื่นใดอยู่แล้วไม่ติดไปกับความคิดเหล่านั้นก็จะพบธรรมเองนั่นคือผู้รู้ผู้รู้นั่นแหละคือธรรมเพราะนั้นต้องการให้ท่านพบผู้รู้คือรู้ว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่มีอาการอะไรอยู่ในใจของท่านเป็นอย่างไรท่านก็ต้องรู้รู้รว่าใจของท่านในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันเนี่ยใจของท่านเป็นอย่างไรอยู่ท่าต้องรู้อย่างละเอียด ว่าใจของท่านเป็นอย่างไรในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันต้องการผู้รู้ผู้รู้ผู้ที่มารู้ใจของท่านรู้ใจของเราเองว่าใจของเราเองในขณะปัจจุบันเป็นอย่างไรไม่ใช่ต้องกนารใจที่ดี <st ary businesses> ตรงจงจงจําคํานี้ไว้นะไม่ต้องการใจที่ดีเพราะว่าผู้ปฏิบัติก็ใจตรงนี้ผิดมากเลยปฏิบัติต้องการใจที่ดีต้องการใจที่นิ่ง <technique> <c ười> ต้องการพิจที่เฉยๆต้องการใจที่ไม่คิดอะไรอันนี้ผิดมหันนะเป็นความผิดผิดพลาดมหันต้องการผู้รู้เพราะผู้รู้นั่นแหละคือธรรมนอกจากผู้รู้แล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมผู้รู้นั่นแหละคือธรรมผู้รู้คือต้องมารู้รู้จิตใจของตัวเองผู้รู้ที่รู้จิตใจของตัวเองนั่นแหละคือธรรมแต่ถ้าไปรู้อย่างอื่นเรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกเมื่อใดที่ท่านส่งจิตออกนอ ก, อออ ก, นอกหรือส่งใจออกนอก เมื่อนั้นเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลที่ส่งกิจออกนอกจะเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเห็นผู้รู้เมื่อไหร่พบผู้รู้เมื่อไหร่ก็จะพบธรรมกิตเห็นจิตเป็นมัจผลแห่งจิตเห็นกิตเป็นนิโรธจิตผู้รู้นั่นแหละคือธรรมกิตผู้รู้คือรู้อะไรก็คือรู้ใจตนเองรู้จิตตนเองรู้จิตของตนเองรู้ใจของตนเองว่าขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันใจเราเป็นอย่างไรคิดอะไรมีอารมณ์อะไรนึกยังไงตึกตองยังไงปรุงแต่งยังไง ต้อมองด้วยผ่องใสสบายไม่สบายกำลังแอบคิดแอบนึกแอบติดแอบตองแอบรักแอบจังแอบว่าใครแอบพอใจแอบไม่พอใจใครรู้หมดเลยก็รู้ ร, ร, รู้เราต้องการผู้รู้ไม่ต้องการจิต ด, ดีท่านเอย่าพยายามทําให้จิต ด, ดีปฏิบัติทําให้ใจมันพยายามทําให้ใจนิ่งๆทำให้ใจเฉยๆอันนั้นผิดพลาดทหารนะต้องการผู้รู้รู้ว่าใจเราขณะปัจจุบันน่ะเป็นอย่างไรแล้วรู้เนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสาย ถ้าผู้ใดรู้ใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแค่รู้อย่างเดียวนะรู้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าเข้าไปจัดการอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าเข้าไปแซงชั้นอะไรเขาอย่างไรรู้สักแต่ว่ารู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายพระุธองค์ตรัสว่าไม่เกินเจ็ดวันสําเร็จพรลานได้ช้าที่สุดหากมีบุญวาสนาบารมีน้อยไม่เกินเจ็ดสี่สำเร็จพลานแดงแน่แท้รู้นี่เองรู้รู้รู้ใจของตัวเองนี่เองอย่าไปรู้ภายนอก รู้สิ่งอื่นภายนอกเป็นการส่งกิดออกนอกเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งกิตส่งออกเป็นทุกข์รู้ใจของตนเองทุกขณะปัจจุบันเสน่ห์เป็นทางเดินที่พระเจ้าพระอาลหลังทั้งหลายท่านเดินเราก็เดินตามทางท่านอยู่ในขณะนี้แต่เราเข้าใจผิดคือปฏิบัติแล้วหลายคนระเบิดผมว่าโอ้จามทำไมยังคิดเยอะแยะหมดเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันทําไมคิดมากจริงๆการที่ท่านรู้ว่าท่านคิดอะไรเยอะแยะคิดมากนั้นถูกต้องแล้ว แต่ท่านอยู่กับรู้ไว้แต่ท่านรู้แล้วท่านกระจาปิดคือท่านพยายามทําให้ความคิดนั้คิดน้อยหรือความคิดนันหายไปอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมานเพราะต้องการให้รู้ว่าใจของท่านกําลังคิดอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรมีอารมณ์อะไรมีอ า, ม paljon, มอาการอะไรแต่ท่านพยายามไปทําให้ความคิดนั้นหายไปท่านไม่ไม่ต้องการผู้รู้แต่ต้องการให้ความคิดหายไปอันนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยคือต้องการให้รู้ว่าใจของท่านตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันเป็นอย่างไรรู้แน่แนเป็นธรรม เพราะรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยแหละคือทำแต่รู้รู้เสร็จแล้วไปหงุดหงิดรำคาญกระจายตัวเองโอ้โมันคิดมากจริงคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่อยากจะทําให้มันคิดหายไปอาจารย์ทําไงมันไม่มันทําไมคิดมากจริงๆเนี่ยอยากจะมันคิดปัญหาายไปอย่างนี้ผิดประจายผิดหรือว่าอาจารย์รู้รู้รู้แล้วมันทำไมไม่ไม่ไม่ไม่เห็นนั่นเหนน็นนี่อย่าที่ว่าไม่เห็นนั่นเหนน็นนี่นี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าปฏิบัติไปเราต้องการรู้รู้ว่าใจนั้นเป็นอย่างไง ไม่ใช mm ่ว่าเราจะปฏิบัติไปเอ๊ะทำไมมีแสงสว่างเหมือนคนอื่นเขาไม่เห็นเทพเจ้าดาเห็นนรกเห็นสวรรค์อย่างนี้เป็นการส่งจิตออกนอกเพลฝันเพลไปเรื่อยอย่างนั้นส่งจิตออกนอกเขาเรียกว่าพิบัติโนกทีเรศอย่างนั้นเราต้องรู้ตัวทันทีแล้วก็รู้ไว้รู้รู้รู้ไวสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปหายไปเองแล้วเราก็รู้ไว้จิตมันรู้รู้นั่นรู้นี่เราก็รู้ไว้เฉย สิ่งที่ถูกรูทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังสุกขังอนัตตาอนิจจังสุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนไปเกิดขึ้นสั้งอยู่ดับไปเปลี่นยไปปนไปเราได้แต่แค่รู้สัตว์ตะวันรู้รู้สัตว์ตะวันอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าปฏิบัติในการแสวงหาจิตที่ดีจิที่นิ่งจิที่เฉยเฉยจิที่สงบแล้วก็ปล่อยเลื่อนลอยเฉยทำลอยลอยทำเบลอเบอร์อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นวิจตโนเป็นกิเลสเราจะต้องให้สติมีสติสะบะเจนยอสมบูรณ์บริบูรณ์เตือนตัวตลอดเว่า ใจของตัวเองเป็นอย่างไรแอบคิดแอบรักแอบชังแอบพอใจแอบบไม่พอใจแอบมบีอะไรกับใครต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอบตัวเองได้ตลอดเวลาว่าใจฉัขนขณะนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็รู้มันตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงของใจตัวเองที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันอย่าเข้าไปแท็นเซอร์อย่าเข้าไปแทรกแซ ง, แงอย่าเข้าไปกังวลใจอย่าไปหนีอ ย, อย่าไปกด อ, อย่าไปข่มอย่าไปบังคับอย่าเพลินใจไปกับเขา ให้แค่รู้สัตว์วันรู้อย่าเพิ่เพินใจล่องลอยไปให้วิธีที่เราจะไม่เพลินใจไปกับเขาจะไม่เข้าไปกดข่มบังคับเขาเราก็พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วดูรู้เห็นใจตัวเองไว้พุทโธพุทโธพุทโธดูลูเห็นใจตัวเองไปเรื่อยเรื่อยก็จะไม่กดไม่ข่มไปบังคับแล้วก็จะไม่หลงเพลินใจไปกับเขาเขาจะคิดอะไรก็ไม่ว่าจะคิดดีคิดช่วยคิดบุญคิดบาคิดกุศลอกุศลก็ไม่ว่าทั้งหมด ก็ขาจะมีอารมณ์อะไรกับใครก็ไม่ว่าแต่เราพุทโธพุทโธรู้ใจเราหมดรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่ตามไปเลยไม่เผลอไหลกับไหลไปกับอารมณ์เหล่านั้นไหลไปกับความคิดเหล่านั้นพุทโธพุทโธพุทโธดูไว้ดูไว้รู้ไว้เรารู้ตัวไว้ตลอดเวลาไม่ไหลไปไม่เผลนใจไปกับความคิดอารมณ์เหล่านั้นไม่เผลนใจไปกับรูปเสียงขิดรถที่เห็นปรากฏขึ้นมาในใจเราก็ไม่เผลนใจไปเห็นอะไรรู้อะไรไม่เผลนใจขิดไปได้แต่รู้รู้รู้รู้อแต่ว่ารู้รู้ตอกตะวันรู้พุทโธพุทโธไว้ ก็จะไม่ไม่สนใจคิดไปแล้วก็ไม่กดไม่ข่มไม่บังคับผู้โต ร, รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่ารู้ไปเรื่อยๆสักวันสักขนาดจิตหนึ่งนั้นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนั้นไม่มีที่ผลต่อใจเลยไม่ว่าเขาจะคิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาป ค, คิดกุศลไม่ว่าจะมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างใดไม่มีที่ผลใดๆต่อผู้รู้เลย ได้แต่รับรู้อยู่ในใจเป็นกลางวางอุเบกขารู้อยู่เปล่าๆแต่ว่ารู้รู้ๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยถ้ากำลังเดินทางอยู่ในทางเดินของพุทธเจ้าทางเดินของพระหลานทั้งหลายดังคำตัดพิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดก็ตามผู้ใดก็ตามนี่หม า, มามยถึงว่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครรวาเป็นพระไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ใดก็ตามวามีสติรู้ อยู่ในกายในเวทนาในจิตใจธรรมในร่างกายจิตใจของตนเองกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่มันมีอาการเป็นยังไงเมื่อปวดก็รู้นี่เรียกว่ารู้กายบางคนก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเรียกว่ารู้กายลมหายใจเข้าหยาบก็รู้ว่าเข้าหยาบลมหายใจเข้าละเอียดก็รู้ว่าเข้าละเอียดลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาว ลมใจออกสั้นก็รู้ว่าลมใจออกสั้นลมใจออกยาวก็รู้ว่าลมใจออกยาวลมใจละเอียดก็รู้ว่าลมใจละเอียดลมใจบางเบาก็รู้ว่าลมใจบางเบาลมใจหายไปหมดก็รู้ว่าลมใจหายไปหมดเราก็แค่สับตะวนรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงที่ก็เป็นอยู่เรียกว่ารู้กายรู้ลมใจก็ออกเรียกว่ารู้กายกายเรานั่งอยู่ท่าทางลักษณะอย่างไรก็เรียกว่ารู้กายรู้เวทนาคือรู้ว่าขณะนี้มีความรู้สึกเป็นสุขหรือรู้สึกเป็นทุกข์หรือรู้สึกเป็นกลางกรู้เมื่อเจ็บปวดสบายไม่สบายเขาเรียกว่ารู้เวทนา รู้จิตก็คือความคิดนึกสึกต่องปุงแต่งและอารมณ์ต่างๆขณะนั้นจิตมีความคิดนึกสึกตองปรงแต่งมีความคิดตกกังวลในเรื่องใดๆคิดอะไรอยู่กับใครคิดแอบคิดแอบนึกแอบสึกแอบตองแอบปรงแต่งแอบนวิจาร์แอบพิพาควิจาร์แอบคิดตกกังวลใดๆอยู่ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันก็รู้หมดเลยรู้รู้รู้ว่าจิตเองกาลังคิดอะไรแอบมีอารมณ์อะไรกับใครทั้งรักทั้งช่างต้องพอใจไม่พอใจก็รู้รู้รู้สัแต่วัตรู้รู้สแต่วัตรู้นี่เรียกว่า รู้กายรูปเวทนารู้จิตแล้วถ้ารู้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่นี้ดังเกิดกล่าว่าผู้ใดมามีสติรู้อยู่ในกายในเวทนาจิตธรรมธรรมก็คือรู้สักแต่วรู้แต่ถ้ารู้แล้วติดไปมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าไม่เป็นธรรมเป็นโลกเป็นเป็นกิเลสตัณหาคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วติดไปกับสิ่งนั้นหรือรู้รู้รู้ลดกินเสียง สัมผัสและจิตไ ก, กับสิ่งนั้นก็จะเกิดอารมณ์เราก็รู้รู้สักแต่ว่ารู้รู้ไปแล้วไม่กิดอะไรที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีที่ผลต่อใจค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปแล้วใจก็เป็นกลางว่างเปล่าจากทุกสิ่งไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยที่มีที่ผลต่อใจรู้อย่างนี้คือหลักธรรมคาสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรอาจารย์ทุเรศตัดว่าผู้ใดดูก่อนที่สุดทั้งหลายผู้ใดมามีสติตามดูตามรู้ตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามเห็นในกายเป็ขนขณะจิตธรรมของตนเองอย่างต่อนเนื่อ ง, อองไม่ขาดสายรู้สักแต่ว่ารู้ ใจของผู้นั้นจะว่างเปล่าจากทุกอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวัน้าวที่สุดไม่เกินเจ็ดปีผู้นั้นย่อมสําเร็จฝาหลานอย่างแน่แท้มีผู้ใดสงสัยไหมเวลาเราทํางานถ้าเราใช้ความคิดเกี่ยวแล้ทํางานเนี่ยเราก็เอาความคิดเกี่ยวแล้วทางานเนี่ยมาแทนคำบริกรรมพุทโธเองอัตอนโนมัติถ้าเราฝุดมาจนชานาญแล้วเราคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราก็ดูรู้เห็นจิตใจเราเองหมดทั้งหมดทุกประการทุกขณะปัจจุบันเราสามารถดูรู้เห็นได้หมด เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ความคิดความคิดในเรื่องงานเนี่ยแทนคําบริกรรมพุธโธเวลาพอเราคิดเรื่องงานปุ๊บมันก็จะมีเหลือแต่ความคิดเรื่องงานอย่างเดียวความคิดอื่นแทรกมาปุ๊บเราก็จะรู้ทันทันทีว่ามีความคิดอื่นแทรกขึ้นมาอยากให้ท่านอาจารย์สมุคมาช่วยเสิมทีนะเพิ่มเติมน่อยเถแต่ผมตอนนี้นี่ผงไม่ไม่มีเยอะต้องต้องรู้ทุกความคิดแต่ เราก้องรู้มกว่าคิดแล้วมันค่อยๆเก็บเครียดเราปล่อยให้ป็นไปตามธรรมชาติรู้เท่าที่เรารู้ได้ะมันเป็นเป็นอเป็นอรก็คือมันจะแฝงกันไปเรื่อยแฝงกันเรืยเราก็ไม่ต้องทันก็ทันถ้าไม่ทันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไม่ทันเนี่ยเรามีอารมณ์ตามความคิดรู้ว่าพอเราฝุดๆมาแล้วเนี่ยพอไม่ทันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอารมณ์ว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ทันลึกพยายามจะตามนี้มาตามไม่นู้นั่นหมายความว่าเราเนี่ย คนโดยมีการสร้างข้อควรจะต้องทันทุกความคิดเป็นการปรุเลยผมแต่ความเข้าใจของผมนะว่ า, าลักษณะนี้มันเปนการปรุงแต่ถ้าเราปลดไปเรื่อยๆมันมันจะเป็นมันเองได้มันน่าจะเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าที่มันไม่ไม่เป็นวนะ้ากดไปเร่งไปกีป่มันเร่งไปกีป่มันวิงผมก็พลด ไ, ได้ตามรางการอาจารย์เหมือนเหมือนจะทุกคนนะฮะจริงแต่ว่าถ้าทางเรารู้ เรารู้ความคิดที่นั้นที่เราคิดออกมามันก็จะอยู่พอเพียงความคิดใหม่มาก็รู้จังแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยพอไม่ทันเนี่ยจะมีอาการอย่างหนึ่งก็คือมันความคิดผ่านไปแล้วมันจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งย้อนมาว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่การข้องไปแล้วนะเนี่ยเราก็รู้ความคิดอย่างนี้ว่าเออเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็พอไม่ทันก็จำเนื้นอลงแล้วเยอย่าง เกีที่ที่ผมคุยกับท่านนันวันเน่ยรื่องเรื่องความเจ็บปวดของผมเนี่ยไม่สบายเนี่ยตุเร็เรเนี่เพื่อให้ให้ีโมนะให้ฮีโมมามันก็มีอาการจะปวดตามกระดูเนี่ยอ็ตุ่ก็คิดเองว่าผมมาลานสนุนเนาะแต่พอเรารู้รู้สึกัวดปุ๊รู้ตวานเนี่ยคอยดูมันอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่เนี่ยลงไรเลยดูรับครับเดี๋ยวก็ไปวนาะเดี๋ยวก็มาเนี่ยครับๆรั แต่ลมันก็เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ว่ามันมันก็ไม่ผลดมันก็ปวดปวแล้วก็รู้เดี๋ยวก็ไปได่เพราะตามหลักแล้วไม่จิตมันไม่มันมันไม่เที่ยงอ่ะมันก็แหว่งกับไปเรื่อยตามตามธรรมชาติของมันเราจะบอกว่าให้ให้อยู่อย่างไรอย่างหนึ่งมันผมว่าดูแล้วมันมันไม่ได้อย่างที่คณาจารย์ในครับผมบอกว่าช่วงนี้นี่ไป ไปอะไรนะที่ว่าตอนนั้นก็ติอจิมันไปเท่นเวทนาเวทนาก็สนใจไปอยู่ตามความคิดเลยผมก็แนี้ผมก็งงไมตอนั้นจิันตึดธรมนาธรรมดาเนี่ยก็บอกเขาบอกบวนกิแต่พอเดินผมก็ทุกทุกเช้ากับทุกเย็นเนี่ยผมก็เดินเดเดินออกงเนี่ยแต่ทุกคนทุกครู้จักกรู้จักกรู้มากเลรู้า เขาบอไม่รู้ไม่ไม่ดูผู้โชว์ดูู้โชว์มันก็จะคิดอะไรมันก็จะเราก็รู้ความคิดนั้นแต่ไหนถ้ามันเลยไปมันก็เรื่องของมันเราก็มองมันมันก็จะมีความคิดย้อมาเนี่ยอย่างนี้เราไม่ทันนะนี่ไม่ทันนะมันก็มีของมันเนี่ยแต่เรารก็รู้ความคิดนั้นว่าเป็นยังไงยังไงก็ผมแค่เนี่ยมันจนกระทั่งไปผ่านของทางเอกมันก็มีอีกอย่างก็บอกว่าขอให้ทำสบายสบายกไไปแล้วก็มองฟังของท่านอาจารย์เนี่ยเราก็มองเนเนี่ยพกเรื่องความ ความคิดเราค่อนข้างละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะซีดีเนี่ยผมฟังมาทํางานแล้วก็จะเปิดฟังฟังค้องอ่านหนังสือดีอยู่เช้าก็ฟังได้บ้างอะไรบ้างก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะของอย่างประกอบกันก็มันก็รู้อะไรอี่างว่าก็บที่ที่เราปฏิบัติแล้วรูไปยังไงมีมีบ้างบ้างไม่ก็ถุยจ้วงวันที่ก็สุยได้บางวันก็ถุยแล้วไมหัวไม่ตุ้งเลย แต่พอมือตื้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเน่มันเป็นล้ำหนักมีนี้ส่วนขึ้นเราก็รู้แต่ไม่เคยไปยุ่งเลยมันถึงแม้ได้ยุ่งยุ่งยุ่งมันก็มีแว๊บขึ้นมาว่าอันนี้เราไปไปบังคับมันจนเพื่อแต่สร้างเป้าว่าให้มันหายไปพอพอเรารู้สึกว่ะมันมันก็จะทายของมันเองอย่างที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อปีก่าถ้าเรานี่ปล่อยไปเดี๋ยวมันไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ไอที่ของมัเมันไม่สามารถอยู่ได้นาน ไม่คแต่ถ้าเราไปยุ่ง ม, มันเนี่ยมันก็ดิ่นได้นานมานโ <c oughs> คือไม่รู้นะผมก็พยายามแพยายามดูดูตามความคิดอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ไม่เปเร่งหรือไปตั้งเป้าอะไรนะก็ดูดูอยู่ไป เ, เรื่อยๆก็คงจะวิธีการดูดูอย่างไรวิธีการดู <c oughs> บอกเทคนิคการดูหัวขั้นก็ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนที่ท่าอาจารย์บอกว่าผมจะเดินสนชักแอพุทโธใช่ไหมพุทโธความรู้สึกตัวพุทโธท่องพุทโธเนี่ยเดินขวาก็พุทโธแก็ซ้ายก็โทเดินไปเรื่อยๆประมาณวันวันก็เช้าสามกิโลเย็นสามกิโลเนี่ยเดินอเดินพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จิตตามธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็ต้อง คิดเรื่องอื่เรื่องอื่นเรื่องอื่นคิดเลยผมแฝงออไปเนี่ยเราก็เห็นนะเมื่อก่อนนี้พอเราแฝงรู้เท่าทานเนี่อรู้เท่าทานผมพอรู้เท่าทานผมลุกกจะพิจารณาทางรู้เท่าทางจะพิจาราทางจะหายไม่หายไปรู้ว่าตัวพิจิตมันก็หายเไปแต่ตอนหลังหลังมานี่มันมันชักไม่ไหวก็ไม่เอาละดูว่ามันจะจับไม่จับพอนหลังก็ดูไปเนี่ยมันจะหมดความคิดมันเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันมันไม่หมดก็เรื่องของมันแต่เรารู้ตัวอยู่ แต่ก็ไม่ในนานถ้าท่าตราใดที่เรารู้ความคิดเราแวกออกไปถ้าเรารู้ตัวปุ๊บสักพักเดี๋ก็ต้องหยุดนะมันต้องหยุดผมก็ใช้อย่างเงี้ยท่องไปเเดินไปเงี้ยพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็แวะออกไปเราก็รู้มันปุ๊บแล้วก็มันก็หายไปมันก็เดินเราก็เดินออกไปเดี๋ยวก็ออกไปแล้วก็เรารู้เดีมันก็หายไปเวลาทํางานเนี่ยแวะไปคิดเรื่องอะไรปุ๊บมันก็จะรู้สึกตัวแล้วมันก็กลับมาทัศ ขับมานั่งทํางานที่เลยูพึ่งเร็วเร็วนี้เนี่ยผมไปให้กีโมมาเนี่ยกีโมให้กีโมเสร็จนอนพมสามสี่วันนะสามสี่วันเนี่ยปวดปวดกรดูกไม่มีแรงน้อย่เดียวดู้วครับกลายเป็นห่อเหี่ยวเนี่เขียมาเขียนมัเมืนก็ชินเนีสามสี่วันแค่นัสาสวันเนี่ยพอมาเจออ่านคำภาษาเนี่ยโอ้อยากจะอยากจะจะเขียนเนี่ยอ่านรู้ว่าจะเขียนยังไงแต่จุดเริ่มเนี่ยอืมมันคิดแล้วคิดอีกคิดอย่างนั้นอะ แต่พอต่อหลังเนี่ยมาฟังมาฟังก็ดีก็ดีครับอก็เลยรู้สึกตัวเฮ้ยนี่นี่มันมีความคิดอย่างหนึ่งนี่พอรู้สึกตัวตั้งั้นมาพอจับเลือกมาปุ๊บนี่ทำได้เขียนได้เลยไม่ไม่มีลังเลอะไม่มีใจไม่อยากทําไม่อยากอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นระดับพอเรารู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บจิตมันก็จะทํางานตามปกติแลมันก็จะทํางานได้ผมก็ ต้องพูดได้อย่างอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้ยลยนะอันนี้เป็นใจตรงนี้มีประโยชน์มากเนี่ยดีมีประโยชน์อันหนของของท่านท่านทุกนี่ปฏิบัตแิแบบประบการตรงเลยแต่ว่าท่านตอนแรกที่ปฏิบัติมันก็สามผมตอนนั้นพอเป็นน้ำหนักตีลำไส้แหละแล้วลก็ต่อมามาปฏิบัติมัก็แห้งไปหายไปแล้วต่อมาก็นานหลายปีเต้มันก็มามาเป็นที่ตามอีกไม่ี่ปอเป็นที่ อ, อด ตายกันหมดอก็หายไปแล้วท่านก็มาปฏิบัติหนึ่ ง, งทําความเชี่นจับความเป็นจริงจกกัสภาวะของร่างกายที่เจ็บไข้เด็กป่วยเขาก็เลยมีความไม่เข้ามานี่เรียกว่าโอกาสทองนั้นโอกาสทองเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเขไม่เจ็บไข้เด็กป่วยแต่ความจริงของเรามีโรคประจําตัวแล้วทุกคนแต่เรายังเราไม่รู้เลยเนระื่องนี้ตรวจใม่เจอ ทุกคนมีหมดในลงในร่างกายมีทุกคนแต่ยังปวดไม่เจอวีกนะเังแล้วก็เราก็เลยมาเข้ามาคนที่เจ็บไข้เด็กปวดซะก่อนแล้วมาปฏิบัติมาปฏิบัติได้ซะก่อนถือว่าโชคดี